อนาปฏิวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ287 1. ิภิกษุมุ่งอัฏฐะ 2. ภิกษุมุ่งธรรม 3. ภิกษุมุ่งพร่ำสอน 4. ภิกษุวิกลจริต 5. ภิกษุต้นบัญญัต